เพราะความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังเท่าหั้แต่หมงปโพติยานกำลังนำเสนอเรื่องสมาวยยมะแต่ว่าได้กระจายออกไปสู่พระพุทธธรรมรัสที่จัดเกี่ยวกับความเพียรไว้โดยนิยะต่างๆเป็นว่าพระพุทธศาสนานั่นเป็นศาสนาแห่งความเพียรพยายามใครจะต้องการผลอะไรก็ตามถ้าหากว่า ไม่ใช่วความพยายามแล้วก็เกิดขึ้นไม่ได้ใน ม, มีเรื่องของการดลบรรดารประสิทธิ์ประสาทจะสิ่งสูงสุดอย่างที่คนทั้งหลายชอบนําไปกล่าวอ้างกันในข้อต่อไปนั้นรับสั่งแสดงว่าประโยชน์ย่อมไม่สําเร็จโดยชอบแก่ผู้ทําโดยเมื่อดานี่เป็นการแสดงว่าเราต้องการผลประโยชน์อะไร ต้องการสมดุลการศึกษาต้องการจะให้ศีลสมบูรณ์ต้องการจะให้ใจสงบต้องการประกอบอาชีพให้มีกำไรในการทำมาค้าขายด้านต่างๆมันต้องทำจริงจังแต่ถ้าทำทหยุดๆแล้วในที่สุดก็จะพ่ายแพย้เกิดจะสู้ไม่ได้ สาบใบที่ยังไม่บรรลุเ ป, ป้าหมายที่เราต้องการจะทอดทิ้งภาระการงานไม่ได้ทั้งความเบื่อหน่ายนี่เป็นอย่างหนึ่งมันคล้ๆกับอะไรละ่ะผลมันอู่ไกลเหลือเกินแล้วก็ดูหินตัวเองนะฮะคนที่เบื่อหน่ายอะไรง่ายๆเลยก็ดูหินตัวเองไม่ได้ไม่รู้ไม่เป็นไม่เข้าใจไม่สามารถไม่สําเร็จแล้วก็ ในสุดก็ทอดทิ้งความเพี่ยนพยายามคือขวัญกำลังใจไม่มีความเข้มแข็งไม่มีความกล้าหาญพอในต้ตอนองตรงในข้ามเนี่ยถ้าหากว่าคนกระทําโดยไม่เบื่อหน่ายตามโครงสร้างของของอธิบาทตทั้งความลองสังเกตวันแนวอธิบาตแต่ม่มีฉันทะในความพอใจอยู่ แต่ก่อนที่เราจะพอใจนั้นมันก็ต้อ ง, องมีวิมังสาคือใช้ปัญญาพิจิรพิจารณาพสิ่งเนี้ควรพอใจหรือไม่พอใจแล้วถ้าเราต้องการเนี่ยคุณจะทำยังไงจึงจะเกิดผลตามที่เราต้องการเราจะต้องสัมผัในตัวเหตุคือพอใจในตัวเหตุที่จะเกิดผลแล้วก็พอใจในเส้นทางที่เราบาังพยายามไป ตัวชอบจริงๆน่ยคือตัวผลแต่มันรออยู่ข้างหน้านะฮะผลมันอยู่ไกลแต่ถ้าเราไม่พอใจเหตุไม่พอใจหลักการวิธีการที่จะดำเนินไปสู่ผ ล, ลตรงนั้นผลเหล่านั้นก็เกิดขึ้นไม่ได้ดังนั้นก็เป็นเช่นนี้ก็ต้องใช้ความพยายามในขณะที่ใช้ความพยายามอยู่นั่นเองก็ต้องมีความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจัง คือจะไปให้ถึงจุดหมายปลายทางตรงนั้นแล้ววิมังษาคือการใช้ปัญญาก็ตรวจสอบอยู่ตลอดตรวจสอบที่ตัวฉันทะคือความพอใจตรวจสอบที่ตัววิริยะคือความเพียรตรวจสอบที่จิตตะคือเอาใจปลอกใยจิตใจที่มุ่งมัน <c oughs> ก็หมายความว่าผลสําเร็จมันก็อยู่ในโครงสร้างเดียวกันนะลองสังเกตวิมังษาก็าคือปัญญาก็คือสมาธิที่นั่นแหละ <c oughs> เพียงแต่ว่ามองไปในแนวของการภาคสนามคือการไตรจองการตรวจสอบการพิจารณาการหาเหตุผลปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมตัดต่อตามทุกคนแกกนันเอของเรื่องเหล่านั้นองค์ของปฏิจจารสมาไม่ใช่องค์ของอิทธิบาททั้งสี่ประการก็หมุนหนุนเรื่องกันไปแล้วก็ทำให้คนได้ประสบความสเบจในสิ่งที่ตนประสงค์ ในบางกนดีที่เราเรียกว่านิกติทยเราคือถ้าเราฟังไม่ดีแล้วแค่กัดแย่งกันเช่นว่าน้ำขึ้นใม้รีบตักพายเถิดพ่อพายตลาดจะวายสายบาวัวจะเน่าแต่ในขณะเดียวกันก็บอกว่าช้าๆได้พลาสองเล็บงามโดนได้สามถามักริกแพรงหมายความยังไง เมืความวิปัญญามันมีการสรวจสอบถึงภารกิจที่เราจะต้องทําเพื่อไปสู่ผลที่เราต้องการเนี่ยเรื่องนี้จะต้องทําเร็วหรือทําช้ามันก็ต้องมองดูองค์ประกอบของเรื่องนะครัคือเรื่องบางเรื่องมันเป็นงานที่ละเมตเราหมายเป็นนี่ท่านพระเจ้าเคยรับสั่งถามพวกช่างทําทำล้อนะครับทำล้อรถสมัยโบราณก็คงทําเป็นล้อไม้คล้ายๆกัะลอกเกวียน รากฏว่าล้อคันหนึ่งอันหนึ่งเนี่ยนะล้อหนึ่งมาแล้วกันก็เรียกยังไงกันไม่รู้ใช้เวลาหกเปลี่ยนรับสั่งถามมาสามารถทำให้เร็วกว่านั้นได้ไหมท่านบอกว่าเจ็ดวันแล้วก็ทำได้ทำเหมือนกันแยกไม่ออกว่าเจ็ดแตก ต, ต่างกันยังไงแต่พอใช้วิ่งใช้ผลักหมุนไปลองดูนี่เห็น พอล้อที่ใช้เวลาหกเดือนเนี่ยมันหมุนตั้งไปตั้งอยู่เลยไม่ล้มแต่ที่ใช้เวลาเจ็ดวันเนี่ยพอหมุนไปเนี่ยมันโดนไม่ไม่สนิทแล้วก็หกล้มนั้นก็แสดงเห็นว่างานบางเรื่องเนี่ยมันต้องช้างานบางเรื่องก็ต้องเร็วปัญญาก็ต้องสวจสอบต้องพิจารณาว่าตัวไหคนควรช้าตรวไหคนควรเร็วมันไม่จะเร็วตลอดหรือว่าช้าตลอด แม้แต่จะพูดจะแสดงจะขีดเขียนหนังสือจะทำงานอะไรก็ตามให้ลอนสังเกตว่ามันก็อยู่ที่ตรงไหนควรช้าควรเีว็วแต่ถ้าบางเรื่องเนี่ยมันควรจะเร็วคือเหมาะสมแก่ยุคแก่สมัยเช่นสมมติว่าเป็นเทศกาลปีใหม่เทศกาลสงกรานเทศกาลข้าวพรรษา ตลาดต้องการอะไรมากเราไปศึกษาตรวจสอบความต้องการของตลาดมีตัวเลขมีข้อมูลเอาไว้แล้วก็ผลิตสินค้าให้เหมาะสมแก่เทศการตรงนั้นการค้าขายก็ได้กาไรแต่ไม่ใช่สินค้าออกมาเมื่อเทศการมันหายไปแล้วที่จริงสินค้าต้องออกมาก่อนแต่ตัวเทศการนะครับ เราลองสังเกตว่าคนไทยเวลาหัวไวมากวันก่อนอะไรที่ฟุตบอลของฝรั่งเข้ามาเนี่ยดูข่าวนะแล้วคนได้ผิดสินค้าเป็นที่ระลึกในนามของทีมฟุตบอลชุดด้านอะชุดชืออะไรกับไม่รู้สีแดงๆว่าเออคนนี้ข ย, ยันนะฉลาดคือฉกช่วยอโอกาสทุกจังหวะที่ตัวเองจะหาโอกาสได้หาประโยชน์ได้ มีความคิดประดิประดอยหรือว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้นายกตุรีก็ เ, เป็นฮีโร่ไอ้ผิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับท่านนายกเนี่ยมันเยอะจังตุ๊กตาก็มีเสื้อผ้าก็มีของเล่นก็มีเครื่องประดับก็มีอะไรต่อไเนี่ยถ่ายรูปตกแต่งหน้ากากอะไรต่ออไรสารพัดเล่นกันนั่นคือเรียกว่าเป็นคนที่ทันการ ทันเหตุทันผลทันคนทันการปฏิบัติภารกิจเหล่านั้นด้วยไหวพริบปฏิภาณที่น่าทึ่งนบางพีคนอื่นเขายัางไม่ตื่นตัวแต่ว่าคนเราที้ตื่นตัวแล้วอย่าเมื่อจะบางครั้งบางคราวเราเจนว่าเหตุการณ์เช่นเหตุการณ์ทางการเมืองอย่างไต้หวันตะ ก, กินกั่นดินใหญ่ มันต้องอีกเท่าไหรล่ละอีกตั้งหกปีนะฮะหกปีก็เจ็ดปีนี้จะมีการแข่งขันโอลิมปิกที่ปักกิง่งมันเป็นความภาคภูมิใจของคนจีนเขาเพราะงั้นก็เราดูข่าวเนี่ยคนจีนจะเชียร์หมดทั่วโลกเลยยิงไต้หวันยิงกเกาต็ีแรงเต็มกาใหญ่เลยนั้นคือสิ่งที่เราเห็นชัดนะฮะว่า แต่รัฐบาลไต้หวันไม่ไหวทันแล้วเนี่ยความน้มเอียงที่จะรวมชาติเนี่ยเปอร์เซ็นต์จะต้องสูงขึ้นเพราะมันรู้สึกมีศักดิ์ศรีมันมีความยิ่งมีความทรนงในการที่ได้จัดโอลิมปิกนะคือมันไม่ใช่เรื่องได้ง่ายที่เอเชียจะได้เนี่ยรู้สึกก็ได้สองครั้งหรือสามครั้งแต่แต่เนี้ยนะฮะก็ก็ไม่ค่อยได้ติดตามอะไรเท่าไหร่แต่ว่าเรามองในแง่ของธรรมะนะ มองในแง่ของการไหวพริบปฏิภาณในการมองตอนนั้นท่านเดียวบอกว่าถ้าทำความเพียนในกิจการล่าหลังคือไม่ทันการไม่ทันสมัยไม่ทันกับความต้องการไอแนวเนี้ยคือแนวน้ำขึ้นริดตแนวพายพายเฟร่พา ย, พา ย, พา ย, พายตลดัดจะวายสายโบจะเน่าประการต่อไปนั้นท่านบอกว่าคนที่ผัดวันประกันพรุ่งเนี่ย่อมเสือ่อม พรุ่งนี้ค่อยๆพรุ่งนี้ค่อยทำพรุ่งนี้วันนี้เก็บไว้ก่อนมาทำพรุ่งนี้บางทีก็บอกโอ๊ยไม่เป็นไม่เป็นไรมะรืนนี้วันหน้าเดือนหน้าปีหน้าอะไรยิ่งเสื่วนใหญ่เลยนะเพราะจริงๆมันชีวิตเราเป็นเรื่องขณะถ้าเราทำไม่ทันในแต่ละขณะเนี่ยคือยังชอบใจตรงความคิดคนระดับระดับปลายสาวกในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะ มันมีอยู่คราวหนึ่งพระพุทธเจ้ารับอาราธนานิมนต์ของนางจุรสุภธาลูกสาววัฒ น, นาธนบินติกาเศรษฐีซึ่งไปแต่งงานในสกุลมิชาธิชิแล้วก็ต่างเมืองห่งางไกลเป็นร้อยโยอดน่ะเธอใช้พิธีอธิษฐานแล้วก็โยนพวงมาลัยลอยไปในอากาศขออนุภาพขอพุทธานุภาพขอบุญญานุภาพเนี่ยให้พวงมาลัยเนี่ยไปตกแทประบาดพระพุทธเจ้า พระเจ้าก็ะสงรู้โดยกระยานนะฮะว่าเธอหนีหมดต่อการไปตรงนั้นในจังหวะอย่างนั้นเนี่ยมันจะได้คนมานับถือพุทธศาลาอีกเยอะแต่ถ้าพระเจ้าไม่เสด็จเนี่ยนางจุลสุทธาก็ลงกันลายเหมือนกันเนนะฮนะเกียรติยศที่เสียงศักดิ์ศรีของความเป็นพุทธศาสนานี่ปนปี้หมดแหละพระเจ้ากระรับสั่งกับพระโมคคัลลานะ บอกว่าให้ประกาศแก่พระสงฆ์นะพรุ่งนี้เราจะไปฉันพัตาหารที่บ้านนางจุลสุพัธาผู้เจ้าพูดกับพระอาหารหันต์ที่เรืองฤทธิ์เนี่ย น, นะก็ไม่แพลก่กันเลยหลังตั้งก็รู้ว่าคนที่จะไปได้เนี่ยพวกต้องได้ปิญญาหรือพระธรรมดาไปไม่ได้แต่หลว่อการานะัท่านก็บอกว่าท่านพอดีท่านไปรับปากของอุบาสกเอาไว้แล้วเขาก็มาในมลไว้ น่บนพระผู้มีพระภาค พ, พร้อมรถพระสงฆ์ทั้งหมดไปฉันทที่บ้านครับท่านก็บอกว่าพระเจ้ารักสั่งบอกไปบอกคืนก็ค่อนค่อยวันหลังตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่นะเป็นงานใหญ่เลยอุบาสกท่านเก่งท่านบอกว่าจะเรื่องก็ได้นะ่ะท่านเองไม่ขัดข้องแต่มีข้อแม้ว่าพระเจ้าต้องรับประกันให้สองเรื่องเองว่าท่านไม่ตายจะก่อน คือชีวิตท่านยังอยู่ไปอีกหลายวันนะเียวโอกาสที่จะถวายทานแกพระพุทธเจ้าได้แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ศรัทธาของท่านจะต้องไม่เสื่อมถอยคือศรัทธาที่อยากจะทําบุญตักบาแต่ยังไม่เสร็จพระเจ้ารับสั่งว่าในชีวิตเนี่ยพระองค์รับประกันให้ได้ว่าคุณไม่ตายหรอกแต่ว่าศรัทธาเองคุณต้องประกันตัวเอง รักษามันผุผุผุผุมันเกิดเกิดดับดแต่มันเกิดภายในใจใครใคนนั้นก็ต้องรักษาเองอย่าให้คนอื่นไปประกันให้ไม่ได้ตัวนี้ก็ทําให้นึกถึงรัฐธรรมนูญมาตราที่สี่นะศักดิ์ศรีของความปเป็นม น, นุษยิทธทิเสรีภาพจะรับการคุ้มครองในมาอย่างนึกไปออกอยู่จนทุกวันเอ๊ศักดิ์ศรีของตัวเองนี่คนอื่นคุ้มครองได้ยังไงถ้าเราทําไม่ดีเราจะมีศักดิ์ศรีได้ยังไง เราเดินเดินไปแล้วไปฉกกระเป๋าคนแล้วก็วิ่งหนีแล้วจะไม่ให้เราเรียกว่าเป็นโจรได้ยังไงจะไม่สังคมเขาเรียกเป็นโจรได้ยังไงอันนี้คือคือเป็นความคิดที่แปลกเราอาจจะอยู่วัดนานไปก็ได้นะสื่อสารเขาไม่กระจายแล้วก็ถามพศ ร, สสรอเองนะบุคูลหมายความอย่างไรลองอธิบายไป เกียรติศักดิ์รักฆ่ามอบไว้แก่ตัวมโนมอกพระผู้สวยสวรรค์แขนข่ามอบถวายทรงทันเทศล่าดวงใจมอบเหียอฝันแรงแม่เกียรติศักดิ์รักค่ามอบไว้แก่ตัวต้องทําเองนะฮะต้องทําเองคนที่เป็นคนชั่วเนี่ยเพราะเราไปทําชั่วมาก่อนจึ่นเราบอกว่าคนก็บอกว่าเราโกหกคือหลังจากเราได้โกหกไปแล้วนะ่ะเขาบอกว่าเราโกหก ก็แสดงว่าการประหอบของเรานั้นได้ทําลายศักดิ์ศรีของคนที่ซื่อสัตย์ไปเสียแล้วด้วยตัวของเราเองแด้จะให้ใครคุ้มครองเพราะนั่นตรงนี้คือหลักให้เราสังเกตในชีวิตเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านมีพระญานอย่างลูกว่ายังไงเขาไม่ตายหรอกแต่เรื่องศรัทธาเนี่ยมันเป็นความคิดของเขาเขาจะต้องรักษาเขาไว้ด้วยตัวเขาเอง แต่ทั้งหมดนั้นเราลองสังเกตว่าไม่มีการผลักวันประกันพรุ่งแต่เมื่อผลักเนี่ยมันก็ต้องแน่ใจว่างานจะไม่เสียหายเป้าหมายที่ตั้งไว้จะต้องประสบควาสมสาเร็จเพราะในพัตเตกรัตกถาซึ่งถือว่าคนเราแม่ชีวิตอยู่เพียงวันเดียวแต่ว่าเชื่อเป็นผู้เจริญเนี่ย ใช้คําว่าอาเชวิกิ จ, จมาตะปังกวรนิยทําความเพียนใช่ในวันนี้ในขณะ น, นี้ในเวลานี้ทีเดียวคือพัดบันประกันพรุ่ไม่ได้รอ ก, ก่อนเดี๋ยวก่อนค่อยก่อนแล้วถ้าตายจะว่ายัางไงคือมันมันตรกันอะไรไม่ได้จึงการรอเลิกผานาทีอะไรแต่อะไรต่างๆรอเลือกวันนั้นวันนี้วันน้นในพระวินในเดวเจ้าทรงประรบเนี่ยว่า ปรยชน์มันเป็นเรื่องของประโยชน์ดวงดาในท้องฟ้าจะทําอะไรได้เลืองดีขณะ ด, ดียามดีครู ด, ดีอยู่ที่การจะทําดีทําดีตอนเชา้าตอนเช้ามันก็ดีทําดีตอนเย็นตอนเย็นมันก็ดีทำดีตอนไหนก็นตอนนั้นมันก็ดีอ่คือทําให้เราเห็นว่าในแต่ละขณะนี่สําคัญที่สุดเป็นการประกอบความเพียรที่เหมาะสมบางครั้งมันเฉียดฉิวนะฮะ เสียดสิวฉัตั้งใจจะทำความดีแล้วก็ทำเสร็จก็เกิดตายเลยเพื่อพบมีโยมคนหนึ่งรักเขามาเล่าออฟังคือรู้จักโยมคนนี้แต่ว่าไม่ได้เห็นเองอะ่ะรัาเข้ามาเล่าออฟังมาสอบถามบอกว่าตายแล้วทำเป็ไงตายล่ะบอกเตรียงจะไปทอดกรถินเนี่ยจะไปทอดกรถินที่จังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็ท่านออกมารอรถนะ ขเขามารรถเพื่อจะไปทอากถินนี่ใจมันไปถึงกระถินแล้วนะแล้วก็เป็นลมตายด้ๆบอกไม่ต้องไปหว่วงเคนเหล่านี้ตายไปสบายแล้วเพราะว่าใจนั้นเป็นกุศลจะเห็นไหมว่ามโนรถยังไม่สมปรารถนาเลยการตั้งใจเอาไว้ยังไม่บรรลุเป้าหมายเลยก็ตัวเองก็มาตายแตก่อนเพราะคนเราตั้งใจจะทำอะไรเนี่ยก็ให้รีบทำ ทรงแสดงยกตัวอย่างสมมติว่าเราเกิดกุศลและเจตนาเกิดจากค่าเจตนาต้องการจะบริจาคทานเนี่ยสมมติว่านะครับรักษาชีวิก็ได้ขวางธรรมก็ได้ก็ไม่ว่าอะไรกันแต่ปรดีในเรื่องนี่ท่านยกตัวอย่างเรื่องการบริจาคทานก็ต้องรีบเให้รีบบริจาค ร, รีบทำจะในขณะนั้นเวลานั้นถ้าหากว่าเราก่อนเดี๋ยวก่อนค่อยก่อนพักไว้ก่อนเนี่ย มัเชเิรจิตคือจิตที่ประกอบด้วยความสนีเนี่ยมันจะเกิดขึ้นท่วมทับจิตของเราเนี่ยให้ทำไม่ได้เพราะถ้าเราลองสังเกตว่าความคิดที่จะกระทำความดีเนี่ยมันเกิดเยอะแต่ถามมาทำได้หรอือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการสละละวางการสละการบริจาคทั้งย บางทีเราก็ฟังพระท่านออกรายการวิทยุบางรายการเนี่ยท่านที่ใจจังก็ยังนึกว่าเออท่านเองเนี่เคยบริจาคบ้างหรือเปล่าสอนให้เพิ่มบริจาคเนี่ยตัวเองบริจาคม้าหรือปรเปล่าคือนต้องฝึกเนี่ยต้องฝึกบริจาคของอะไรก็ตามที่เขาให้เราแล้วเนี่ยเราสามารถจะบริจาคได้แต่ว่าเป็นการเพิ่มบุญของบุคคลขึ้นมา แล้วก็รู้สึกสุขใจที่ได้ทําเราชนะตรงนี้นมันต้องหัดนต้องหัดต้องรีบทำเอาไว้แล้วเราก็ลองดูว่าอะไรที่เราบริจาคแล้วมันได้บุญอย่างเนี้พระเจ้าทรงแสดงว่าสัปดาห น, งนางธรมติังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเนี่ยเข้ามาเองอมากตัวนี้แล้วก็รู้สึกว่า เราได้ได้ทํางานหลายอย่างนะหมายความว่าได้เทิดทูนพระธรรมได้รับใช้พระรัตนตรัยแล้วการพูดธรรมะการแสดงธรรมะเนี่ยใจในขณะนั้นมันก็สุจริตวาจาก็สุจริตกายก็สุจริตคือเป็นการปฏิบัติธรรมไปด้วยในตัวแล้วก็เมื่อพอใจคือพร้อมต้องมีความพร้อมที่จะทํา อยางนั้นก็คิดคิดธรรมะเช่นสมมติว่าจิตมันคักจาวาวุ่นจักจะสายไปในที่ต่างๆเราก็ธรรมะมาคิดเป็นธรรมะวิตกก็เป็นความเพียรพยายามที่ขจัดกิเลสความขุนมัวเศร้ามองออกไปจากใ จ, ใจิตใจดังนั้นก็จิงสอนว่าดูปึงพยายามไปกว่าจะสมเร็จประโยชน์ ในรู้ละหกลมหกลุกเท่าไร่กี่ครั้งกี่หนก็ตามแต่ถ้าไม่สาเร็จประโยชน์ตามที่ตนต้องการก็ไม่ทอดทิ้งความพยายามแม่จะอบเหงื่อต่างน้าไม่จะประสบความทุกข์ทรมานคือพู้เจ้าเรานี้เป็นแบบตัวอย่างเป็นแบบตัวอย่างมากเมื่อ ว, วันก่อนเนี่ยโครงการศาสนาเขานิมนต์ ไปพิจารณาหลักสูตรประสุชั้นประถมนะยังไม่ได้ศึกษารายละเอียดแต่ก็เปิดดูดูก็บอกเห็นว่าเอ๊ะที่จริงเนี่ยคือถ้าเรามีวิธีสื่อสารใหม่ได้ไหมนะเช่นสมมติว่าเอาที่ไปกนเรสสวนไปท้าประมาประาชาก็ทำยุตธรถีกันเนี่ยมันแสดงถึงพระองค์มีธรรมะอะไรบ้างนะโดยดีกว่ามีสติ มีความเพียรมีความกล้าหาญมีความอดทนมีความหนักแน่นมีธรรมะคือรู้จักข่มพระไัยของพระองค์ก็คนจะตื่นเต้นเหมือนกันนะนะฮะแต่ว่ามีธรรมะแอบมีธรรมะคือข่มใจไว้ได้เราจะเห็นว่ามีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญามีธรรมะเยอะนะะตรงนั้นเราลองมองดูตรงนี้ว่าถ้าเราพูดเราสอนในลักษณะนี้คือแทนที่จะเอาธรรมะมาอธิบายล้วนๆเนี่ย เอาให้เด็กวิเคราะห์ลองคิดดูคืออธิบายธรรมะก่อนเรียกว่าธรรมะก่อนแล้วก็ให้เด็กลองดูซิหาธรรมะดูซิตรงนี้มันมีอะไรตรงนี้มันมีอะไรอยู่เป็นอาการของอะไรนะคนคนหนึ่งเห็นเด็กตกน้กํากรโดดลงไปช่วยเด็กก็ปลอดภัยถามว่าตรงนี้ยแสดงธรรมะอะไร แล้วเราจะเห็นว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยมันเป็นการสะท้อนธรรมะอยู่ตลอดระยะเวลาทีนี้เวลาที่เราตั้งหลักสูตรเนี่ยส่วนมากหลักสูตรเราจะเบือมากเกินไปนะคือคือเพื่เจ้านะพวกง่าย้ยจริงคือเพื่อเจ้าเออนั้นมาเอานี่มาจะทํามะมัมซ้ํำกันอยู่เยอะเลยแล้วก็ไม่ได้เจาะลึกไม่ได้อย่างลึกไม่ได้สัมผัสคือทําไงว่าเอาคุณลักษณะเหล่านี้ย ที่เจ้าสอนในระพุทธองค์ธรรมที่พระพุทธเจ้าเคลื่อนไหวทุกอย่างแล้วก็ที่พระพุทธเจ้าครองพระชนอาชีพอยู่เนี่ยมันเป็นธรรมะสะท้อนธรรมอยู่ทั้งนั้นเลยเราก็ฉกฉวยโอกาสเหล่านั้นมาเป็นหลักในการแนะนําสั่งสอนอบรมเยวาวชนแต่ว่าในตรงนี้เราจะเห็นว่าสติสัมจัญะเนี่ยก็ต้องมีอยู่ตลอด แั่นั้นบอกไว้ไ ว, ว่าผู้ไม่ประมาทควรทำความเพียนแน่แ น, แน่ตรงนี้มีปัญญาอยู่ด้วยนะหมายความว่าขนาดที่จะทำความเพียนระลึกรู้บางทีเราพูดระลึกรู้แล้วมีข้อหนึ่งที่ทรงประธานเป็นหลักเอาไว้อัจมาชอบมากคือรู้สึกว่ามันมนื่กอะไรเนี่ออกพูดตัวนี้ได้จันทีได้ แล้วบาลีก็เล่นคำนะฮะประโยชน์ยะถาตถาก็เลยเขาเล่นคํายถายถายถาละเพตะอัตถังตถาตถาตถาประลักกมยะพึงได้ประโยชน์ในที่ใดด้วยประการใดดควยบากบันในที่นั้นนั้นๆด้วยประการนั้นนั้นหมายความว่ามองไม่ยึดติดในรูปแบบจะมองเป็นที่ตัวเนื้อหาคือตัวผลประโยชน์จะได้ จะได้จากที่ใดโดยวิธีใดใดก็เราก็ไม่สนใจแต่มี่ข้อแม้นะฮะคือคือจะต้องได้ในทางที่ชอบทำเพียงแต่ว่าคนเราถ้าเข้าใจคิดเข้าใจทาแล้วเนี่ยมันสามารถหาประโยชน์ได้จากทุกเรื่องนะเช่นพูดถึงมกระโทที่ตั้งตัวได้ด้วยหนูตัวเดียวนะฮะมันก็แนวไปตรงกับเรื่องในฉาดุ ก็ตั้งตัวได้ด้วยหนูเพียงตัวเดียวแต่ว่าอาศัยความเชื่อมั่นที่มีอยู่ภายในใจตัวเองดังวยงังความเพียรพยายามจึงเป็นหลักการสาคัญเราจะเห็นว่าแต่ละข้อที่ยกเป็นตัวอย่างมานะฮะคื อ, คอกระจายอยู่ในประบาลแลยในการชี้ว่าทุกลาดับขั้นตอนของการใช้ความเพียรเนี่ยมันจะต้องมีสติสัมปชัญญะกำกับตลอด แล้วธรรมะชุดนี้จริงๆจริงปรากฏในที่อื่นนะเห็นว่าอาตาปีสัมมิจาโนสติมาวิเนียโลเกปิจโดปนัสสังอะไรเนี่ยคือเขาจะอยู่ด้วยกันนะฮะเพราะว่าความเพียรนั้นเป็นพลังขับเคลื่อนแต่ขับเคลื่อนจะเปสะเปรอะไม่ได้มันต้องมีสติเป็นตัวกํากับมีปัญญาเป็นตัวควบคุมการขับเคลื่อนจึงจะไปสู่จุดหมายปลายทางได้ก็ขังแต่ไร ใด้รูิยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้สุดนี้ขอความเจริญ ง, งอก ง, งามไปบูุ์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี